อารัธนาธรรมนะคะพร้อมกันค่ะพรหมเจรูกที่ปติสัมติตรานเฉลี่อันที่วรังอายเจตา เทสัตาปรชาคาจติกาเทเสตุธรรมอนุกรมปีมังปชาัง วันนี้นะถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายได้พากันมาแสดงออกซึ่งความรักสมัครสมานในองค์กรที่พวกเราได้ปฏิบัติงานกันอยู่ในสถานที่ตรงนี้คือ TOT นะ ทย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วพวกเราที่มาภายหลังนะคงได้ยินแต่เรื่องราวต่างๆนานานะซึ่งตัวอาจารย์เองมีความเกี่ยวข้องและก็มีความผูกพันกับพีโอทีนั้นก็นับเนื่องได้ว่าเป็นสิบปีที่ผ่านมานะแล้วก็ไม่เคยได้มาอีก ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญในการที่อาจารย์ได้มาในสถานที่ตรงนี้สิปีที่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อกี้เราได้ได้ได้ไดไดยินได้ทราบแล้วที่ท่านรองบอกว่า65ปีนะสาเหตุที่จะมา TOT นี้ก็มีเหตุไม่ใช่เพราะบังเอิญ นะมีเหตุที่ต้องมาด้วยเทพเทวาหรือว่าอิทธิฤทธิอิทธิพลอันใดก็แล้วแต่จึงได้มาที่ตรงนี้เมื่อมาที่ตรงนี้แล้วก็มาเห็นว่าสถานที่ตรงนี้พวกเราชาวทีโอทีได้อัญเชิญรูปของท้าวมหาพมไว้แล้วก็ ปรากฏว่าสีนั้นไม่ถูกต้องนะแล้วได้ปรึกษาหาลืออาจารย์เองก็ได้มาแก้ไขแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้จริงนะผู้ที่สร้างเท้ามหาพรหมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จริงนะผู้ที่บูชาเท้ามหาพรหมของเราก็ไม่ได้รู้จริงนะจึงเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็ นั้นจึงได้ให้ท่านอาจารย์มาเมื่อเมื่ออาจารย์มาเห็นแล้วอาจารย์ก็ได้บอกว่าต้องทำอย่างนี้นะทำพิธีอย่างนี้ให้มันถูกต้องเพราะทั้งสองสองด้านไม่มีใครรู้จริงเนี่ยฉะนั้นในโลกอีกมิติหนึ่งคือเทวดาอารักษ์นั้น เราไม่สามารถรู้ได้เรามนุษย์แต่มนุษย์ก็สร้างขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็มีวาทะกันเนี่ยเป็นเหตุขัดแยง้งหลายๆอย่างฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราไม่รู้จริงน่นนะเราต้องเอาตัวของเราไปเข้าไปพิสูจน์นะอย่างนี้นะผู้ตรงต้องการให้เราเข้าไปถึงความเป็นจริงแต่เราเข้าไปไม่ถึงความเป็นจริงแล้วก็เป็นแต่เพียงเขาลวว่า อย่างนี้หลายๆอย่างนะที่เกิดใบที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยนะอืมแล้วเราก็เชื่อกันอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นการที่ได้มาพูดนะถ้าพูดถึงเรื่องว่าเป็นการมาเทศนะถ้าเป็นการมาเทศนี่พวกเราก็ฟังแบบเสือแล้วนะพอจั่วหัว ข, ข้อขึ้นมาว่าเทศ ก็สายหน้ากันแล้วบอกเทศไม่อยากไม่อยากได้รับเลยเทศเนี่ยสองอย่างที่ไม่อยากรับของฟรีนะคือการฟังเทศแล้วก็ฉีดยานะอาจารย์จึงเปลี่ยนว่าการบรรยายธรรมะสิบปีที่แล้วที่อาจารย์มาที่มีมาที่ทีโอทนะในวันครอบครัวหรือ พูดอย่างง่ายๆก็คือว่ามาพูดให้พวกเราเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างมีแต่เหตุแต่ผลแต่โลกเราทุกวันนี้ในยุคนี้ในพศออนี้ศตวรรษนี้เนะ่ะมีแต่เขาเล่าว่าแล้วก็เกิดความสับสนนะเพราะเราไม่ได้รู้จริงอืมฉะนั้นอันดับแรกนะก็ขอเชิญวันนี้เป็นวันครอบครัวก่อนที่จะถึงวันปีใหม่ไทยเราอีกไม่กี่วันนะ ครอบครัวตัวอย่างอาจารย์ใช้ภาษาของอาจารย์เองหละก็ขอเชิญคุณอ้อยคุณอ้วนนะเดินมาตรงนี้เลยคุณอ้อยคุณอ้วนครอบครัวแรกนะเดินมาตรงนี้เลยครอบครัวคุณอ้ อ, อยอแล้วก็เฮียแล้วก็ครอบครัวคุณส้ม ครอบครัวคุณอัญชลีนะเชิญที่หน้าฟอ้อนี่ที่หน้าเวทีนี่เชิญเลยแล้วก็ครอบครัวคุณโยนะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทีโอทีนะอันนี้แล้วก็ครอบครัวคุณ อ, อ, อ้อยอ้อยอ้ว้หนึ่งอ้อยอะไรอ่านะมา ขึ้นมาอ่ามาเป็นตัวอย่างและคนสุดท้ายก็ขอเชิญคุณกิติประธานชมรมพุทธทิโอทีเชิญ เหล่านี้ในขณาที่อาจารย์ตอนนี้คิดได้นะก็ขอให้ทุกท่านประนมมือแลว้วก็ไหว้ทุกคนไหว้พร้อมกันกลมลงไหว้หนึ่งนี่คือครอบครัวที่อาจารย์ได้คุ้นเคยตั้งแต่สมัยยุคต้นยุคแรกที่ผ่านมาก็เชิญทุกคนกลับไปที่นั่งได้วันนี้เป็นวันครอบครัวฉะนั้นจึง เป็นครอบครัวที่เมื่อสิบปีที่แล้วนะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงครอบครัวเหล่านี้ก็ไม่บุตรและทิดานะจากสิบปีที่แล้วที่อาจารย์มาที่ตรงนี้และได้มีโอกาสพูดถึงธรรมะกับชีวิตประจำวัน<ๆ>เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆด้านในหลายทางนะลูกหลานที่เติบโตขึ้นมานะ ก็เป็นคนบอกง่ายสอนง่ายนะยังครอบครัวคุณอ้วนคุณอ้อยนะส่งลูกไปที่เมกาฝรั่งต่างชาติถามลูกคุณอ้อยพุทธศาสนาสอนอะไรเนี่ยโชคดีบังเอิญเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่อาจารย์สอนพ่อกับแม่เขาเขาตอบได้ว่าพุทธเจ้าสอนกฎแห่งกรรมเด็กตอบนะเชี่ยกรรมเชื่อผลของกรรม เนี่ยฝรั่งอึ้งเลยเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์จริงและพรุ่งนี้ท่านคุณอ้วนก็จะเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันจะไปเยี่ยมลูกสาวเนี่ยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่ยกขึ้นมาดูเป็นตัวอย่างว่าในวันครอบครัวพวกเรานั้นถ้าพวกเราเข้าใจเริ่มนะถึงแม้เด็กจะไม่รู้เลียงสาก็ตามแต่เมื่อเขาโตขึ้นนะ โดยการที่พ่อแม่เป็นผู้พานําดําเนินเดินตามพ่อแม่อย่างนี้นะซึ่งเขาเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าโปรแกรมของอาจารย์วันนี้จะว่าเรื่องเรื่องอะไรนะอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นครอบครัวตัวอย่างที่เราต้องการให้เป็นบ้านครอบครัววันนี้นะจากการที่เราไม่เคยทําทานเมื่อเช้าเราทุกคนทําไมอาจารย์นึงไม่ให้ศีล น, นะศีลขอไปแล้วเมื่อเช้า ทานได้ทำแล้วได้บินทบาทนะซึ่ง TOT นี้อาจารย์พูดได้เลยว่าเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐแรกที่มีขนบอป็นตะเกียมประเพณีมาเมื่อสิบปีที่แล้วมีการบินทบาทนะถ้าใครที่มารุ่นหลังจะเห็นได้ว่า TOT นั้นบินทบาทร้อยแปดู นะซึ่งไม่เคยมีที่ไหนที่จะมีพระเยอะขนาดนั้นเราทีอทีเคยมีแล้วนะอันนั้นคือเริ่มในการที่จะปฏิบัติเรื่องทานส่วนเรื่องศีล น, นั้นเมื่อเช้าเราได้พูดเรื่องการขอศีลศีลที่พวกเราพากันขอนั้นโดยประเพณีนิยมพวกเราเข้าใจกันว่าการขอศีล น, นั้น เหมือนกับการที่เราไปขอสิ่งของขอแหวนขอนาฬิกาขอลูกเป็ดลูกไก่นะลูกหมาลูกแมวมาเลี้ยงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะสินที่อาจารย์จะอธิบายพวกเราฟังก็คือสินก็คือตัวเราเรานั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปขออันนั้นเป็นประเพณีนะ ศีลตามประเพณีอย่างทำบุญขึ้นบ้านใหม่ปีใหม่ไหวพะระรับศีลเราจะมีกันอยู่เสมอเสมออันนั้นตามประเพณีนิยมซึ่งบางแห่งนะอย่างาบ้านนอกต่างจังหวัดอย่างอาจารย์นี่ชาวบ้านก็ไม่สนใจหรอกเขาก็ปากเขาก็พูดเวลมบุญีเวลมบุญีตาเขาอยู่รุ่นไหนไม่รู้เรื่องนั่นะอันนั้นคือศีลประเพณีแต่ที่จะพูดให้พวกเราฟังในวันนี้ก็คือศีลที่เราต้องประพฤติปฏิบัติขึ้นมาด้วยตัวเราเอง เราทุกคนนี่แหละมีร่างกายมี จ, จิตใจนะร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยอะไรหนึ่งศีรษะพูดใ้ภาษาสวยๆหน่อยหัวนะหัวเรานี่ประกอบไปด้วยอะไรตาหูจมูกลิ้นนะแล้วก็กายของเราเนี่ยสิ่งนี้จะต้องเป็นศิลขึ้นมาก็คือปากวาจาที่เราจะต้องพูดขึ้นโดยอะไรละ่ะนะเราพยายามระวังสังวร ว่าเราจะพูดแต่ความจริงนะนะถ้ามันจิตใจของเรามันส่งออกมาว่าต้องผู้นี่เขาเชื่อนมเน้นาเขาเชื่อให้เขาศรัทธาให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่างนั้นมันใส่สีตีไข่แล้วความเป็นอย่างนั้นนะในใจของเราเนะ่ะเริ่มเพี้ยนเพี้ยนเพียนเพีย น, ยนด้วยแรงของกิเลสที่มันอยากจะให้ทุกคนยึดนิยมย ม, ย ม, ยมชอบเราแต่การรปปฏิบัติของเรานั้น ดูไม่ได้แต่เราเอาวาจาเนั้นไปเกี้ยกล่อมเขาชักโยงเขาชวนเชื่อต่างๆนานา น, านะก็เนื่องจากปากของเราไปติฉินนินทาว่าร้ายสอเสียดนะใส่สีตีไข่พูดดำให้เป็นขาวพูดขาวให้เป็นดำนะด้วยความที่อยากจะให้เขานิยมชมชอบเราอันนั้นแหละคือความที่มันร่วงละเมิดร่วงละเมิดจากอะไรร่วงจะเมิดจาก ใจของเราเนี่ยมันลวงละเมิดมันผิดเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราบอกว่าเอาละความจริงมีแค่นี้เราพูดแค่นี้เราอย่าไปเพิ่มเติมเลยถ้าเรารู้อย่างนั้นศีลก็เกิดขึ้นแล้วนี่นะนั่นคือปากซึ่งอยู่บนหัวเราหนึ่งหัวสองแขนแขนเรานี่แหละแขนสองข้างหนึ่งแขนสองข้างนี้ไม่จับสตาวุธไม่ชกไม่ต่อยนะ ปากนี้ไม่ดื่มสุราเมลัยพูดแต่วาจาที่มันเป็นจริงเป็นสัตว์แขนสองข้างมือสองข้างนี้ไม่จับสตาวุธมาประหัตประหารไม่ฆ้านะไม่ลักทรัพย์เห็นไหมแขนสองข้างนี้ก็กลายเป็นศีลนำมาสึ่งความสบายใจไม่ชกไม่ต่อยใครไม่เตะไม่ถีบใครขาสองข้างนี้ไม่เดินไป พาไปเล่นออาใบยามุกตุกเพศไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะไม่เตะไม่ถีบใครไม่ปะทุสไ้ายใครรวมแล้วคือกายของเรานี้ไม่ไปนอกจิตนอกใจสามีภรรยาเห็นไหมห้าอย่างไหมล่ะห้าอย่างคือตัวเราเนี่ยโดยอะไรล่ะโดยเรามีใจเกิดความละอายโดยความเข้าใจว่าถ้าคนอื่นเขาทำให้เราผิดจิตผิดใจเรา เป็นชู้กับเมียรเราลักของเราขโมยเราหรือฆ่าเราใครอยากตายบ้างไม่มีใครอยากตายหรอกดูดิสัตว์วัวควายพวกนั้นนะเวลาเขาจูงเข้าหลักประหานนะรมันจะข้าควคนมันจะโอดลอ้อมมันจะดึงชักเขยื้ไม่มีใครอยากตายถ้าเราดอนโดนลงโทษประหารชีวิตเหมือนกับนักโทษที่โดนประหารชีวิตนะ่ะจิตมันจะเป็นยังไงถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเราจะทํำไหมไม่ทำเนี่ยคิดถึงอกเขาอกเรา แล้วมันจะเกิดสินขึ้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่ต้องขอไม่ต้องไปร้องขอจากใครเลยทำขึ้นมาเรามีกันทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าน้อยว่าหนุ่มว่าแกว่าหนุ่มว่าสาวนะเป็นสินถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนั่นคือเข้าใจละนี่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปขอแล้วไม่ต้องไปเที่ยววิงวอร์ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ต้นนั้นต้นโพต้นนี้ไม่ต้องเลย เชื่อการกระทำของเราอย่างถ้าเรามีข้อวัดปฏิบัติอย่างที่เราว่าเนี่เมื่อยมีความเกรงกลัวและอายต่อบาปว่าคนอื่นไม่ต้องการนะเราก็ไม่ทำถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณธรรมอันนั้นจะดูแลรักษาของเราตลอดถึงครอบครัวเราตลอดถึงลูกของเราเนี่ยศีล น, นั้นเป็นศีลปฏิบัติเมื่อศีลปฏิบัติมีอยู่อย่างนั้นแล้วคันเมื่อใดก็ตามที่เราทาอยู่สม่าเสมอ นะก่อนนอนเรากลาาหมอนสามครั้งแล้วเราก็นั่งสมาธิภาวนาด้วยการที่เห็นว่าข้อวัดปฏิบัติของเราวันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เปื้อนนะไม่ได้ผิดจากห้าอย่างนี้วาจาเราผิดไหมอาจจะมีนิดหน่อยมือเราละ่ะไม่เลยขาเราละ่ะไม่ร่างกายเราไม่ได้ไปเล่เล่นเล่นลูกเล่นเนมียใครอย่างนี้มันก็เกิด คุณงามความดีเกิดความปิติรักษาได้หนึ่งปีสองปีสามปีปีใหม่อย่างที่จะผ่านไปเนี่ยก็เกิดความภูมิใจว่าเออเราไม่ทําแต่บางทีมันก็เกิดขึ้นมานะเกิดความขัดแย้งในตัวเราบอกท่านอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยแหละผ ม, มพยายามอยู่นะอแต่คนอื่นมันไม่ไมพยายามดิก็ช่างเขาเรื่องของเขานะเราต้องทําขึ้นมาก่อนนะเหมือนกับเรากินข้าวนี่แหละ เรา น, นั่งอยู่บนโต๊ะของเราเนี่ยจานอยู่ตรงหน้าเราเรากินข้าวแล้วเรากินข้าวแล้วเราจะไปมองคนอื่นว่าไอ้นั่นมันจะกินกับผมไหมอย่างนี้มันไม่ไม่ไม่ไมใช่สิ่งที่เราปฏิบัติเรามีความภูมิใจเรารู้ด้วยตัวเราเองสามีภรรยาไว้วางใจซึ่งกันและกันกลับดึกดึกเดินๆยังไงก็ตามไม่พิจารณาส า, า, า, ามีว่าเอ้ยคุณนอกใจฉันหรือเปล่าทําไมกลับไม่ตรงเวลาอย่างงี้นะภรรยาก็เหมือนกันสามีก็เหมือนกัน ทำไมคุณกลับไม่ตรงเวลารถมันติดอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยนะอก็มีความไว้วางใจเชี่ยวใจกันซึ่งกันและกันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเกิดความระแวงเมื่อใจระแวงแล้วก็เกิดความแนงหนายตามมานั่นเห็นไหมมันเป็นรอยล้าวแล้วเพราะอะไรละ่ะเพราะศิลธรรมนะอันนี้เป็นเหตุใหญ่นะไม่ใช่เหตุเล็กๆนะแม้กระทั่งบ้านเมืองเราทุกวันนี้ก็มาจากสาเหตุอันนี้ จึงชื่อจึงฟันรงได้เลยว่าถ้าพวกเราไม่มีคุณธรรมนะศีลธ ร, รรมเราไม่มีเราไม่พยายามปฏิบัติกันขึ้นมาฟิตกันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาแล้วทุกคนต้องลงมือทาด้วยด้วยกันทุกคนไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดทาแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะสิ่งเหล่านั้นนะอาศัยว่าคนอื่นไม่ทาก็ตามเราทาเอาน้ำดีไล่น้าเสียนะ เราจะไปบอกว่าเฮ้ยโลกนี้ต้องดีซะก่อนทันจึงจะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพราะพระพุทธองค์ ต, ต้องการให้พวกเรานั้นปฏิบัติที่ตัวเราก่อนนะเรามีความเย็นมีความสบายใจมีความไว้วังใจซึ่งกันและกันครอบครัวผัวเมียเราจะเป็นยังไงลูกเราจะเป็นยังไงเ อ, อถ้าเราไม่ทําอย่า ง, งานั้นก็คือเดือดร้อนกันไปหมดแล้วมาโทษลูกเดี๋ยวนี้แม่จะใส่เลยเล่นเด็กคอมพิวเตอร์ก้มหน้าสังคมก้มหน้ากันอยู่อย่างนี้ <c oughs> แล้วก็โทษกันนะแม่ก็โทษพ่อพ่อก็โทษแม่ลูกก็โทษพ่อโทษแม่จับกันไม่จิตเลยแล้วบ้านนั้นอยู่ด้วยกันแต่มองไม่เห็นกันอยู่คนละห้องเอามันสุกตรงไห น, นถามหน่อยสุกไหมไม่สุกเลยซึ่งสมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามาสู่พวกเราแล้วนะนะอย่างที่ว่าสังคมก้มหน้ากันแล้วเรื่องราวทุกอย่างทุกประการเรารู้หมดก็หันหน้าเข้าไปหากัน ดีแต่ไม่ดีดียังไงเวลาไปสนามบินยมจะสังเกตเห็นไม่ว่าไม่มีเสียงเลยเพราะอะไรเพราะทุกคนก้มหน้าหมดจริงเปล่า <c oughs> อาจารย์พูดแรงนะฉะ <c oughs> นั้นจึงบอกว่าที่ที่สามารถพูดได้เพราะว่าคิดว่าที่ตรงนี้ทีโอทีนี้เหมือนเหมือนกับคนคุ้นเคยนะอย่างที่ว่าฟังกันแหละความเป็นมาเป็นอย่างไรนะ อาจารย์มรดิเทีนนั้นนี่จะถือว่าเป็นการอบรมวิชาการก็ได้โยมนะพูดเรื่องศีลต่อไปอีกทีนี้เมื่อเรารู้จักคําว่าศีลปฏิบัติแล้วอย่างครอบครัวเมื่อกี้นี้นะหลายๆครอบครัวที่มาที่นี่ซึ่งมาไม่หมดนะลูกบางคนส่งไปเรียนที่เมืองนอกได้คุณประโยชน์จากองค์กรของเราทีโอทนี่แหละจากการที่ไม่เข้าใจแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างนั้นเราเป็นคนทํา ไม่มีสิ่งไหนที่จะโดนบันดาลหล่นลงมาจากฟ้าให้เราได้หรอกซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าสิ่งที่อาจารย์เริ่มต้นมาเมื่อสิบปีที่แล้วนั้นบัดนี้เวลานี้นะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับทีโอทได้ทราบข่าวว่าสภาจะย้ายมาที่ตรงนี้ชั่วคราวอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีไหมเนื่องจากพวกเราทีโอทนี้ปฏิบัติสินปฏิบัติธรรมไหมซึ่งบุญอนิสงว์วนั้น ซึ่งชาวที t อทนั้นได้เคยสร้างไว้นะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะในการทอดกระถิ่นก็ตามทำบุญพระป่าก็ตามนีม่มลครูบาอาจารย์มาอบรมสั่งสอนในชมรมพุทธของที t อทีนี้บุญนั้นต่อเนื่องเหมือนกับหยดน้ำที่ใหญ่ไหลไหลลงมาขอภาพทีทีที่ทำบุญที่วัดป่าไห้รัดขึ้นให้ชมหน่อย คนคงเห็นนะแล้วคนที่ไปในเหตุการณ์ของวันที่ทอดกฐถินที่วัดป่าห้วยลาดเมื่อใดก็ตามที่เราไปเห็นวัดป่าห้วยลาดในเฟสในไลน์ก็ตามนะเราก็บอกว่าเราก็มีส่วนหนึ่งนะที่ได้ร่วมในสถานที่ตรงนี้ความภูมิใจนั้นก็เกิดขึ้นนะอันนี้ เราได้มีส่วนร่วมในการเสริมสั่งจากบัดนั้นจนบัดนี้สิ่งดีๆงามๆก็เกิดขึ้นให้กับองค์กรของเราตัวเราเองนะก็สามารถพูดได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคนอะไรละ่ะสมรเเทเมาพูดจาเลอะเลอะเลือเล่อนเือนสติระจังไม่อยู่กับที่กับทางเชื่อสิ่งภายนอกมงคลภายนอกวัตถุภายนอกแต่บัดนี้เปลี่ยนไปแล้วเชื่อการกระทำของเราเราทำแล้วเราเกิดความสบายใจเกิดปิติ คิดมาเมื่อไหรก็เกิดความสุขอันนั้นแหละคือเข้าไปหาตัวตนของเราละอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วผลที่ตามมาองค์กรของเราก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชมยินดีเห็นไหมนี่เกิดจากอะไรเป็นจกมาจากเหตุที่บังเอิญหรือไม่ใช่เกิดจากการกระทาทั้งนั้นฉะนั้นพวกเราจงภูมิใจพวกเราที่เป็นชาวทีโอทีที่มีผู้นานะ ให้พวกเรารู้จักประเพณีดีงามทั้งหลายทั้งปวงตลอดถึงองค์การองค์กรของเราในะมีชมรมพุทธให้มาสั่งสอนอบรมเพื่ออะไรละ่ะเพื่อให้พวกเรามีเบรกนะถ้า เ, เวลารถมันวิ่งเร็วๆมันจะลงถนนลงข้างทางมันก็มีเบรกเบรกนั้นคืออะไรละ่ะความคิดที่มันไหลลงทางต่ำอย่างการ น, นอกสิบ ห้าอย่างเมื่อตะกี้นี้มันอยากจะทําแต่เราก็หยุดยั้งมันได้ด้ยวยความคิดพีนิษพิจารณาว่าอันนั้นถ้าเราถูกกระทําบ้างเราจะพอใจไหมถ้าเราถูกกระทําเราก็ไม่ควรกระทํากับคนอื่นลามไปถึงนายกับลูกน้องนะเราเคยเป็นลูกน้องเขามาก่อนนะเมื่อเราเป็นนายก็ต้องมีความคิดเมตตา เอื้ออาลรีต่อผู้เป็นลูกน้องเนี่ยธรรมะศีลห้าอย่างนั้นจะค่อยๆซึมซับลงไปถึงบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงเริ่มจากตัวเราสามีภรรยาเริ่มถึง บ, บุคลากรที่อยู่ใกล้ๆเราระหว่างนายกับลูกน้องคิดว่าเราเคยเป็นลูกน้องมาก่อนถ้าเราถูกอย่างนี้เราจะพอใจไหมผู้เป็นนาย ลูกน้องไม่ได้รับความเมตตาจากเจ้านายแล้วก็ทำงานเต็มที่และองค์กรของเรานี้มันก็จะดีขึ้นต่างคนต่างรักษาอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีลทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็เข้าใจละนะฉะนั้นศีล น, นี้จึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะขอแต่เมื่อมันเป็นประเพณีนะเราก็ทำไปศีลจึงมีสองอย่างศีลที่ต้องขออ่ามายังพันเตตามพิธีกรรม แต่สินีกอย่างหนึ่งก็คือทำขึ้นมาเลยอย่างยิ่งอยู่ในชาวต่างประเทศอย่างที่อาจารย์เคยมีโอกาสได้พูดนะหน้าหนาวนี่ออกไปไหนไม่ได้เลยนะเราก็ต้องเอาห้องพระของเรานั่นแหละเป็นวัดนะเราก็จุดทูกขึ้นมาแล้วบอกว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าจุดทูบขึ้นมานี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติศินวาจาหนึ่งแขนสองข้างหนึ่งขาสองข้างหนึ่งนะจะปฏิบัติจะระัระวังสังวรในช่วงนั้นนั่น อันนั้นแหละมันมันถึงที่เรียกว่ามันเรียบง่ายนะแต่มีความซื่อความสัตย์ความจริงกับตนเองนะเมื่อออกจากห้องพระไปแล้วเมื่อออกไปจากบ้านไปแล้วก็ระวังทั้งวันอันนี้ศีลที่นี้ก็จะมาพูดเรื่องสมาธิเมื่อศีลที่เราดูแลอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความภูมิใจสมาธินี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องไปที่วัด แล้วจะต้องไปนั่งแบบหลังขดหลังแข็งสีเรียดไม่ใช่ใช่นะเป็นทางการแต่ไม่ใช่เมื่อเราอยู่ในครอบครัวของเราเราสามารถทำสมาธิได้ซึ่งอาจารย์ขอพูดในในที่นี้ว่าสมาธิก่อนนอนเมื่อเรามีสินอย่างนั้นแล้วเรากลับไปที่บ้านก่อนนอนดูหนังฟังเพลงดูข่าวดูอะไรเรียบร้อยแล้วเราชาระอารมณ์ของเราซะนั่งสมาธินะก่อน สามีก็นั่งตรงสามีภรรยาก็นั่งทำภรรยานั่งนึกพุทโธตโมสังโฆพุทโธธรมสังโฆนึกพุทโธพุทโธแต่ในขณะที่นึกนั้นมันก็มีอารมณ์ในวันนั้นตั้งแต่ลืมตาจนหลับตามันก็เข้ามาตอนเช้าไปยังไงตอนเที่ยงเป็นยังไงตอนเย็นเป็นยังไงมันก็จะเข้ามาแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแข่งกับมันนั่งจนเหนื่อยแล้วเราก็ะเราก็นอนนะอันนี้เรียกว่ามีสองอารมณ์คืออารมณ์ที่มันเกิดในวันนั้น กับการที่เราตั้งหลักไว้เหมือนกับน้ำที่มันไหลเชี่ยวลงในลาคลองนี่เรามีฝายเล็กๆไปกั้นมันไว้นะนี่คือสมาธิก่อนนอนได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำไม่เป็นนิสัยอย่างนี้แล้วเราก็หลับไปนะพอหลับไปที่นี่ช่วงหลับร่างกายมันได้รับความพักผ่อนเรียบร้อยแล้วส่วนเวลาที่เราจะตั้งจริงๆตั้งตอนที่มันตื่น ตื่นเวลาไหนเราก็นั่งขึ้นมาเลยออกจากเตียงเราซะแล้วก็ไปนั่งอยู่ในโซฟาแล้วลึกรู้อยู่เฉยๆรู้รู้รู้รู้รู้รู้แต่มันความคิดมันก็จะแทรกเข้ามาซึ่งเป็นธรรมดาปกตินะเราเกิดมาอยู่ <c oughs> เราเกิดมาทำกลางความมีมีอะไรมีความคิดตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เราหนุหนอะเกิดมาสู่โลกใบนี้นะมีความคิดแต่การฝึกสมาธิอย่างนี้ฝึกไม่มันคิด นะเพื่อจ ะ, อะไลเพื่อจะลบเหมือนกับกระดานในห้องเรียนของเราเนี่ยนะหน้าที่ของหน้าที่ของมันก็คือการเขียนในกระดานให้ให้เป็นตัวหน้าที่ของการฝึกสมาธิก็คือการลบลบตัวที่มันเขียนขึ้นมาน่ะด้วยตัวเราเองนั่นแหละจิตนั่นแหละเป็นคนเขียนความคิดของเราน่เป็นคนเขียนเช้ายินดีเที่ยงไม่ยินดีเย็นเศร้าหมองเนี่ยมันเขียนขึ้นมาให้เราอ่านแต่เมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเราลบ ลบด้วยและลบด้วยสมาธิลบได้บ้างลบไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเกิดความเคยชินจนเมื่อใดก็ตามที่เราไปในวัดป่าต่างจังหวัดหรือเราไปสวดมนต์ข้ามปีวัดใดก็ตามที่นี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำให้มันเกิดความเคยชินนั้นนะเราสามารถที่จะอยู่ได้โดยการฟังเสียงสวดมนต์นะนั่งสมาธิฟังธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศตลอดคืนอย่างนี้เราสามารถทาได้ แล้วเราจะภูมิใจว่าเออปีนี้เราผ่านไปได้ด้วยดีให้คะแนนกับตัวเองว่าเออแต่ก่อนเราไม่สามารถเลยนะทนไม่ได้แต่บัดนี้เราทําได้เพราะอะไรละ่ะเพราะสิ่งเหล่านั้นเราเคยทํำมามันหนุนขึ้นมาหนุนขึ้นมาหนุนขึ้นมาเช่นเดียวกับจอมปวกเห็นไหมปวกมันสร้างรังเนะ่ะมันค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคําว่าบุญบรารมีก็เช่นเดียวกันแต่มันมองไม่เห็นแต่เราจะสังเกตได้ด้วยตัวเราวัดเออมันเกิดการเปลี่ยนแปลง คนที่อยู่เล่าๆข้างของเราบางันที่อาจารย์เจอโยมวุ่นเนี่ยบอกเอตอนนี้ไอ้วุ่นเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่ามานั้นนะอันนี้เพราะมันสูงขึ้นนี่ด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นสมาธินี้สําคัญแต่เราเอามาใช้กับชีวิตประจําวันของเราไม่ได้ทีนี้อา น, นิสงส์นํามาถึงครอบครัวผัวเมียด้วยสามีก็ทําภรรยาก็ทําลูกก็ทํา ปฏิบัติกันอย่างนี้อันนี้สงของลูกก็คือเรียนหนังสือดีสมองปลอดโป่งสอบเอ็นทานเข้ามหาวิยเลยได้เพราะอะไรล่ะเพราะได้ยินได้ฟังมานะหลายๆคนเด็กๆเล็กๆพวกนี้สมัยก่อนเมื่อสิบปียังเป็นเด็ก ๆ, ๆอยู่เลยตอนนี้เข้ามหาวิเลยแล้วนะแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็โดยในแนวทางอย่างนี้แต่ถ้าเราไปเข้าใจแบบคาดขึ้นเลื่อนลอยต้องไปขอเอา นังสือไม่อ่านแล้วไปเที่ยวขอขอหลวงพ่อนั่นหลวงพอนี้ต้นไม้นั่นตรงไม้นี้วันนั้นวันนี้อันนั้นไม่ใช่แล้วไปพึ่งพิงสิ่งภายนอกแต่การกระทำของตัวเองนั้นไม่ใส่ใจไม่มีเหตุแต่ต้องการผลเป็นไปไม่ได้อย่างบางทีอาจารย์อยู่ที่วัดอุสานั่งรถจากกรุงเทพไปขอ ขอบารมีหลวงพ่อหน่อยลูกลูกสาวจะสอบเอ็นทานเข้ามาหา ว, วิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ก็เอ๊ยยังไงนาะแบบนี้นาะอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนมาหา ว, วิทยาลัยเลยหนังสือก็ไม่ได้อ่านเออแล้วพ่อก็มาขอให้ลูกด้วยอ้าวไอ้ลูกล่ะลูกสังคมก้มหน้าอยู่นันติดเพื่อนไปโน่นไปสงขาหาดใหญ่นุ่นอ้าวแล้วมันจะสอบเอ๊ะมันยังไงกันแน่นี่เอ้าเอาก็เอาซะได้ก็ได้ซะแล้วไปอย่างนั้นนี่แหละ มันต้องควบคุมด้วยอย่างนั้นตัวเองต้องควบคุมตัวเองเห็นว่าเราไปยุ่งยากมากเรื่องกับสิ่งภายนอกนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์สาระอะไรเลยแต่สนุกกับเพื่อนนะสนุกได้นะแต่เวลาเราสอบไม่ได้เราตกเพื่อนมันไม่ได้ตกกับเราด้วยดอกนะหลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเด็กกับลูกเราหลานเรานะอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องเผื่อแผ่พ่อปฏิบัติแม่ปฏิบัติลูกปฏิบัติ ทานศีลภาวนาการทำทานก็เหมือนกับพวกเราทำเมื่อเช้านี่แหละทาบุญตักบาตรไปนะาทาบุญทานการกุศลไปทำมาเพื่ออะไรเพื่อให้ศีลมันแข็งแรงศีลมันแข็งแรงแล้วจะเป็นไปเพื่อสมาธิก่อนนอนเราเราจะรังเกียดนะถ้าเราค่อยต่าไปตามอำนาจความเคยชินของเราเช่นเงินเดือนออกเพื่อนไปบอกเอ้ยไปสังสรรค์กันหน่อยที่ร้านอาหารโน่นอาหารนี่ พอเล่าเข้าปากความยากก็หายไปแล้วเงินก็ไม่ถึงบ้านไปเลยต้องไปกู้สหกรณ์อีกวุ่นวี่วุ่นวายวงจรอุบัติจึงเกิดขึ้นตรงนั้นเป็นหนี้เป็นศินแล้วนะเมายาปาปิ้งกันแล้วลืมหมดเนะี่ยเห็นไหมมันเป็นที่มาของการที่มันไม่มีศิ น, ไ ม, มนไม่ปฏิบัติศินกันเกิดความลายความยุ่งยากตามมาถึงครอบครัวที น, น, นี้เป็นหนี้เป็นศินลูกเต้าไม่ดูไม่แลบ้านแตกสลายขาดเห็นไหม นั่นคือวงจรบัตรแล้วมาโทษกันอีกมาโทษเพราแกนั่นแหละพราะฉันนั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีคุณธรรมอย่างที่ว่ามานี้นะต่างคนต่างปฏิบัติเริ่มที่ครอบครัวเราก่อนเริ่มที่ตัวเราก่อนนะสังคมทุกคนเกิดเป็นแฟชั่นเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นแล้วในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องสมาธิทั่วโลกแล้วตอนนี้นะโดยเฉพาะต่างประเทศนั้นสนใจ เรื่องการทำสมาธิอย่างมากพวกเราชาวไทยนี่อาจจะเป็นคนช้าล่าหลังโดยซ้าไปนะเรื่องการทำสมาธิทุกคนในโลกนี้มองเห็นแล้วว่าเรื่องสมาธินะี่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วเรื่องสมาธินะที่เราได้ยินกันเสมอๆนะ่ะเรื่องสติมีอยู่ในทุกอย่างการแต่งเพลงเอ่ย ơi, การวาดภาพเอ่ยศิลปินทุกขแขนงนะขึ้นอยู่กับสมาธิทั้งนั้นเลยแต่เราไม่รู้นะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจ สินและศาสตร์ทุกอย่างขึ้นตรงต่อสมาธิทั้งนั้นเลยไม่ต้องอื่นไลหรอกลูกยมหน่อยที่ไปยิงปืนนะนักกีฬานะนักกีฬาชาตินะหรือนักกีฬาชาติที่ไปแข่งเทควันโดนะเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสมาธิทั้งนั้นเลยนะฝึกนักกีฬาระดับโลกแม้แต่เตะฟุตบอลทุกวันนี้ในลีกอังกฤษเนี่ยก็มีสมาธิขึ้นตรงต่อสมาธิทั้งนั้น ในแง่วิทยาศาสตร์เ ศ, ษศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ทุกอย่างนะแต่มันต้องเจียพนแฝงไปด้วยคุณธรรมคุณธรรมมันั้นไม่อื่นไกลเราเห็นใจเขาเห็นใจเราไม่ได้เอาแพ้เอาชนะกันนะถึงจะเป็นทำทำที่เป็นกลางนะไม่ใช่ว่าเอาแพ้เอาชนะเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้นนี่คือสมาธิก่อนนอน เมื่อสมาธิก่อนนอนเกิดขึ้นแล้วทีนี้เมื่อเราทําให้มากเจริญให้ยิ่งนะทําอยู่ส ม, าม่าเสมออา น, นิสงส์นั้นมันจะลามไามมาตรงที่เราที่ทํางานเรานะซึ่งอาจารย์ใช้ภาษาพูดว่าสมาธิในการทํางานอย่างสมมุตินายสั่งมานี่เราสามารถจําได้เล็กเชอร์ได้จดได้อะไรได้ทุกอย่างทําตามที่นายต้องการเห็นไหมมีสมาธิแต่เกิดว่าเราไม่มีสมาธิขึ้นมานายสั่งอย่างงี้เราไปคิดถึงนู่นเย็นนี้จะนัดเพื่อนไว้กินร้านไหน ไปแล้วอันนั้นหลุดโลกไปแล้วนะฉะนั้นผลจากการที่เราทําก่อนนอนนี่ลามปามมาถึงอสมาธิในการทํางานเมื่อเราทําให้มากเจริญให้บ่อยๆขึ้นทําจนเป็นความเคยชินเหมือนกับเรากินข้าวนี่เรากินข้าวนี่มันบํารุงร่างกายแต่การที่เราทําสมาธินี้เป็นสิ่งที่บํารุงใจเรานะแต่ถ้าเราไปนําสิ่งที่มันเป็นภัยอันตรายขึ้นมาคือความคิดละโมบโลมมาก นะแล้วไม่มีความยับยั้งเนี่ยไม่มีเบรกอย่างมึงที่เห็นเลขาอยู่หน้าห้องอย่างนี้เอออีนี้มันขาขาวดีไว้สวยดีเอามันเป็นเมียน้อยแล้วเสร็ดีไหมเนี่ยมันไปแล้วนั่นน่นนะเห็นไหมความอปิปีจังไลมันเกิดขึ้นแล้วน่ะนี่สิ่งเหล่านี้เนะี่ยเราก็เบรกไว้เบรกด้วยวิธีไหนเบรกว่าเออมันเป็นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเรานะเมตตาสงสารมันถ้าลูกหลานเราเป็นอย่างนั้นล่ะเราจะพอใจไหมไม่พอใจเห็นไหมล่ะนั่นมันไหลลงทางต่ําฉะนั้นเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วเราต้งหยุดได้ นะอันนี้เนี่ยสมาธิในการทํางานกินความไปหมดเลยนี่ทีนี้เมื่อมีสมาธิในการทํางานแล้วผู้บริหารนะสมาธิในการสั่งการบริหารก็เช่นเดียวกันอา น, นิสงค์ของความสงบอาสมอานิสงส์ของความว่างอันนั้นจะสามารถวินิจฉัยได้อนาคตจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถามตรงๆเถอะตร ง, ตร ง, ตรงนี้น ะ, รนนะเราเคยคิดกันไหมว่า ทางรัฐบาลก็จะมาใช้ที่ TOT เนี่ยเป็นสภาชั่วข่าวในขณะที่สภาเนี่ยังสร้างไม่เสร็จไม่นะเมื่อสิบปีที่แล้วนะ่ะที่ทําองค์อินขึ้นมาเนี่ยนะนะให้มันถูกต้องเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพวกเราชาว TOT อันที่สองอันนั้ น, นตามมาเห็นไหมถ้าเราลงมือปฏิพฤติปฏิบัติในใ น, ในรัฐษากิจนของเราในหน่วยงานของเราแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นมากๆขึ้นเพียงแค่ข่าวไปว่าจะใช้ TOT นี้เป็น ที่ประชุมสภ า, าสู้ ข, ข่าวแค่นี้เราก็โอ้ยหน้าบานกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเห็นไหมนี่คือผลจากการที่เราหนึ่งเราทําบุญทุกปีสองเรานิมนต์ครูบาอาจารย์มาทําบุญอบรมสั่งสอนพวกเราทุกเดือนเห็นไหมทำมาตลอดตลอดตลอดผลมันเป็นยังไงล่ะเหมือนกับจอมปลวกไหมล่ะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนี่คืออะไรล่ะโตในความดีพอพูดขึ้ทีโอ ท, ทีอย่างนี้นะ แต่ความไม่ดีก็มีอยู่ในนี้นะเมื่อมันไม่มีเออ่ความดีมากเราก็พยายามสนับสนุนซึ่งกันและกันให้องค์กรของเรานี้มีคุณธรรมนะเอาน้ําดีขึ้นมาใครไม่ทํากูใครไม่ทําเราทําเราปฏิบัติเราปฏิบัติแล้วเราสบายเราเย็นครอบครัวเรานะคนอื่นเห็นเออมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะเราทําบ้างครอบครัวที่สองทำครอบครัวที่สามทำ ทั่วองค์กรนี่คุณธรรมมันมันจะไม่เกิดขึ้นเหรออย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคนอื่นก็มามองดูทํำไมไม่ทําอย่างนั้นบ้างล่ะนะเนี่ยความดีมันก็เกิดขึ้นองค์กรอื่นที่ไม่ทําเรียกว่าทําความดีนะเราจะเป็นคนดีนะ่ะเราจะเป็นคนดีโดยการที่เรามีศีลมีธรรมมีจริยธรรมมีความละอายนึกถึงอกเขาขอกเรา Basic, เบสิกเบื้องต้นเลยพื้นๆเลย ถ้าเราถูกกระทําย่ํายีบ้างเราจะพอใจไหมไม่พอใจอันนี้แหละมันก็จะลามปามไปน้ําดีนะเมื่อเทลงไปมากๆเข้าน้ําเสียนะก็จะไหลออกเทน้ําดีมากๆเข้าดีมากๆเข้าดีมากๆเข้าแต่ในขณะที่ทํานั้นอย่าไปมองดูคนอื่นว่าเมื่ อ, อไหร่อย่างเมื่อกี้นี้นั่งอยู่ตรงห้องรับแขกว่าผมยังมาไม่ถึงเลยครับผมยังไม่ได้เข้าทํางานเลยสิบปีที่แล้วที่จันมานะ่ะนั่นแหละเห็นไหม แล้วเดลิเบิร์ได้บวชทีโอที T. T. ได้จัดงานบวชขึ้นมาเป็นร้อยองค์นั่นเห็นไหมนั่นแหละคือน้ำดีละ่ะให้พวกเรานั้นมันดำเนินเดินการดังนั้นอยู่สม่าเสมอสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีค่านิยมในการที่จับจ่ายใช้สอยแบบพุ้มๆเปื่อยๆนะมีแต่การเอารัดเอาเปรียบช่อลาดบางหลวงคดโกงคอร์รัปชัน เพราะไม่มีศีลลธรรมอย่างที่ว่ามานี้นะเห็นแก่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วค่านิยมเป็นยังไงมันเป็นมันเป็นแผลร้ายเป็นโรคมะเร็งในองค์กรในสังคมในประเทศมีแต่วความขัดแย้งเอาแพ้เอาชนะกันอย่างนี้มันนำมาซึ่งความวิบัตินะซึ่งพระพุทธองค์ได้พูดไวแล้วว่าความวิบัตินั้นจะเกิดมาจากราคะโทสะโมหนะนะท่านได้พูดไวแล้ว แต่มันยังไม่ถึงขานการเจริญเติบโตอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นมะเร็งอย่างนั้นปรากฏขึ้นมาค่อยๆกัดกินกินตัวเราก่อนถ้าเราไม่มีคุณธรรมกินตัวเราก่อนแล้วความวิบัติอันนั้นก็แพร่กระจายออกไปสู่ครอบครัวเห็นไหมเด็กที่เกิดมาใหม่ลูกเราไม่รู้เรื่องก็ต้องมารับบาปจากพ่อจากแม่เพราะไม่แม่พ่อแม่มันมีคุณธรรมอย่างที่เราพูดเน่ยอ่าแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาโทษมาโทษไปโทษไ ป, โท ษ, ไปโทษมาอยู่นั่นเน่ยนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีคุณธรรม เพราะไม่มีศีลธรรมมีอยู่แต่ไม่พากันปฏิบัติไม่มีการใส่ใจสมาธิจึงเป็นอีกแขนข้างหนึ่งของการที่จะทำให้เราเป็นคนดีถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะขาของเราก็คือปัญญาปัญญาในการที่เราจะเข้าใจรู้เรื่องก็คือปัญญาในการที่เราบอกว่าเขาว่านะซึ่งพระองค์ก็สอนพวกเรามาแล้วเรื่องกาลามสูตรนะ อย่าเชื่อที่ตาเห็นอย่าเป็นอย่างที่คนอื่นพูดเรารู้ว่าเราทำดีหรือทำชั่วนะบางคนไม่เอาอย่างนั้นโลกสังคมในโลกตัว น, นี้มองฉาบฉวยข้างนอกเท่านั้นเองใส่สีตีไข่กันไปนะดูภายนอกแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาดีหวีผมเรียบแปะ ใ, ใส่เสื้อนอกผูกผูกไทใส่เสื้อนอกนั่งรถรู้ แต่ความในใจข้างในนั้นเน่าฟอนเฟะหมดแล้วไม่มีความหมายอะไรแล้วเราไปตีค่าข้างนอกว่ะคนดีมันคนดีนะมันคนดีอยู่ที่ใจรู้จักให้อภัยไม่เอาแพ้เอาชนะเห็นอกเขาอกเราถ้าเราถูกกระทําบ้างเราจะไปยังไงซึ่งก็คือทำทำที่เป็นมนุษยธรรมนั่นแหละที่ทําให้เราเป็นคนดีนะถ้าสังคมวันนี้มีแต่สังคมที่การเอาลัทธเอาเปรียบกันนะ แล้วรอบประเทศเราเนี่ยที่เกิดภัยสงครามขึ้นมาเนี่เพราะอะไรเพราะการเอาลัทธิเปรียบไม่ยอมแพ้กันยอมแพ้ยอมชนะกันถือว่าอันนั้นจึงมีการเขียนค่าวาทะด้วยวาจาวาทะด้วยอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆนานานี่ฉะนั้นเมืองเราจึงเป็นเมืองพุทธจึงมีการที่ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมหลายๆอย่างถ้าพวกเราสังเกตดูในะเหตุการณ์บ้านเมืองเรานั้นจากหลายล่นะก็บรรเทาลงมา นะนักก็เป็นเบาเบาก็หายไปนี่องค์กรเรานี่ไม่ต้องอื่นไกลหรอกนะจนบัดนี้ POT อที OT, นั้นได้ทราบเขาว่ามีโบโนัสมีอะไรเกิดขึ้นมาสวยหรูงามตาอันนี้เพราะศีลธรรมนะอันนี้คือเรื่องสมาธิจึงฝากฝังพวกเราไว้ว่าให้พวกเรานั้นพากาันปฏิพฤติปฏิบัติหนึ่งศีลธรรมสองสมาธิก่อนนอนนะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทาไปเถอะ ลูกๆและหลานเราจะมีนิสัยใจคอเมื่อเรามีสมาธิในการก่อนนอนเราบ่มเพาะนิสัยใจคอนั้นขึ้นมามากๆก็มีสมาธิในการทํางานเมื่อมีสมาธิในการทํางานองค์กรก็จะเริญนรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะเมื่อองค์กรเกิดขึ้นสมาธิในการทําธุรกิจก็มีสามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าสถานการณ์แต่ละอย่างแต่ละประการเกิดขึ้นนั้นเราสามารถที่จะควบคุมได้อันนี้คือสมาธิกับธุรกิจ นะรู้จักใช้คนนี่กินความไปหมดเลยทั้งหมดอันนี้เป็นธรรมะที่ผู้โตงนั้นได้สั่งสอนพวกเราไว้ในแง่ของครือ่ายครวาญญาติโยมคือที่ปฏิบัตินะระหว่างสามีภรรยาพ่อกับลูกนะสังคมประเทศนะให้มีความเคารพเนยซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน รู้จักสิ่งเหล่านี้มีที่พูดวันนี้ไม่ได้พูดถึงธรรมะที่เป็นเครื่องละกิเลสนะพูดอย่างภาษาคือคือเรื่องโลกโลกนะธรรมะที่อยู่ในโลกอันนี้ซึ่งมันเป็นจริงอย่างนั้นแต่เรานั้นปฏิบัติไม่เข้าใจไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นให้เราสับสนนะแล้วพวกเราก็คาดขึ้นเลื่อนลอยยิ่งทุกวันนี้นะโลกยุคไอทีนี่พอเราเสพมากๆเข้านะ ในการดูเฟซ ด, ดูลายดูไลดูเลยอะไรกันเนี่ยเชื่อแล้วต้องวินิจฉัยว่าอะไรควรไม่ควรนะ่ะควรเชื่อขนาดไหนถ้ายังสงสัยอยู่ตามไปดูเลยเช่นวัดป่าห้วยลาดอย่างนี้นะเราดูเราพูดเขาเห็นเขาพูดวันใดวันหนึ่งเราตามไปดูเลยเข้าไปถึงตัวจริงเลยว่าเป็นยังไงมันเกิดจริงไหมมันมีจริงหรือเปล่าอย่างที่เราเห็นอย่างนี้อย่าได้เที่ยวพิพาพสาใครนะ อย่ามาโนว่าเขาดีเขาเร็วให้กลับมาดูที่ตัวเราเนะ่ะเราเป็นยังไงถ้าเรายังไม่มีคุณธรรมเกิดขึ้นแล้วเราจะไปพิพากษาคนอื่นได้ยังไงว่าเขาดีเขาเร็วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาอะไรเป็นมาตรฐานอย่างนี้ถ้าคิดว่าเราดีเราเร็วดูตัวเราว่าเราอยู่ยังไงนะเราดีพอที่จะให้เขาชมเชยได้ไหมหรือว่าเราดีอยู่แล้วเราทำของเราอยู่แล้วเราไม่ผิดศีลมีคนมาบอกไอ้นี่ มันเร็วระยำหมาเลยนะไปทำออนอกชู้สูชายกับคนอื่นเขาเราไม่ได้ทำเราจะไปเดือดร้อนทำไมเล่าใช่ไหมแต่ถ้าเราทำดิเฮ้ยเราจะไปแก้ไขนันทีเลยไปถามมันจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าเราไม่ต้องไปแก้ไปถามเลยอย่นั้นเรารู้ตัวเลยว่าเราไม่ ไ, ไม่ได้ผิดไม่ได้ทำนี่เรารู้ตัวอย่างนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้มากๆเขานะครอบครัวอื่นก็เหมือนกัน เราไม่ได้ทาเราก็เชื่อเชื่อมัน่นเขาพูดก็พูดไปดินะแต่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนะอย่างนี้จึงบอกว่าตัวเรานั่นแหละรู้ด้วยตัวเราเองความลับไม่มีในโลกบางคนบอกเอ้ยบาปไม่มีบุญไม่มีหรอกนะทำที่ไหนคนไม่เห็นก็ไม่มีบาปไม่ใช่นะตัวเรานั่นเห็นไหมล่ะ เ, ออเราทำผิดนั่นนะนะ อะไม่ต้องอื่นไงหรอกเวลาเราไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะนะ่ะเรารู้ไหมว่าเราเป็นคนปัสสาวะนะั่นนะ่ะไอ้บาปนอกเหนือจากนั้นที่เป็นบาปใหญ่โตมโหฬารนนะ่ะเราต้องรู้ก่อนอย่างนี้เห็นไหมแล้วมันก็เป็นตาบาปอยู่ในใจของเราแต่เราก็ถูกกิเลสอีกละ่ะยอมบอกไม่เป็นไรคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นบาปอย่างนี้มันชักนําไปเรื่อยๆจนกระทั่งใหญ่โตมโหฬารจนค อ, อร์รัปชันกินบ้านกินเมืองเขา ไม่เป็นไรนี่ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้บุญติดจรวดนะบาปก็ติดจรวดเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นนไมมันไม่ใช่สิ่งที่ใช่น่ยเราไม่เห็นฉะนั้นเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวินิจฉัยตรงนี้อย่าเพิ่งพิพากษาใครอย่าไปพูดว่าคนนั้นเลวคนนี้ดีดูตัวเรานี่ก่อนว่าเราดีหรื อ, อยังถ้าเป็นอย่างนั้นเน่ะพระพุทธองค์ต้องการให้เรา ดูการกระทาของเราที่ตัวเราก่อนแม้แต่สมาธิขั้นเริ่มต้นขั้นกลางขั้นละเอียดก็เริ่มที่ตัวเราเพราะเราทุกคนมีกายมีจิตอย่างเราเอาพุทธโธนี่ลมหายใจของเราเนี่ยกลมเราไม่ใช่ลมคนอื่นนะเมื่อเราทำอย่างนั้นขึ้นมาแล้วความที่เราไม่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราก็รู้นะความระมบโลภมากเราก็รู้แล้วเราก็งดเว้นอย่างนั้นคุณธรรมมันเกิดขึ้นมากับพวกเราได้ อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นได้พูดไปแล้วว่าเรื่องสมาธินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกเราเราจะได้มองข้ามไปของที่มีอยู่แต่ไม่มีคุณค่าเราไม่ใส่ใจแต่ในโลกซนะีตะวันออกตะวันตกเขาเขาใส่ใจนะเดี๋ยวนี้นะเรื่องการทำสมาธินี้จนกระทั่งสามารถทำหลักสูตรในการทำสมาธิในทุกมหาวิาลย แม้กระทั่งกองทัพสหรัฐอเมริกานะในทหารก็มีการฝึกสมาธิหรือมินิเตชันนนะี่ในทุกสิ่งอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดทั้งมวล น, นั้นก็คือแนวแถวในการที่เราจะพูดว่าผมจะเป็นคนดีถ้าเราเขียนขึ้นมาว่าผมจะเป็นคนดีน่ะเขียนไว้ในฝากระดานน่ะแต่เราไม่ไม่ประพฤติปฏิบัติกันเลย ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีความละอายมีแต่ความละโมบโล่มากขียนไว้จนท่วมโลกนี่อว่าจะเป็นคนดีนะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้จะเป็นคนดีได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือพติปฏิบัติใครไม่เห็นเราเห็นครอบครัวเราสงบระงับเรารู้ครอบครัวเราจะเลิญลูกหลานเราจะเลิญลุ่งเลืองพูดง่ายสอนง่ายอย่างนี้เรารู้เนี่ยอันนี้คือแถวแนวในการที่เราไม่ต้องประกาศ ว่าเราจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าครอบครัวเราเนะั่เกิดความสันติทุกมีคุณธรรมไปไหนมีความสบายใจไม่หวาดไม่ระแวงไม่ต้องมีบริการไม่ต้องมี security นะมาคอยประกบประกบไม่มีไปคนเดียวเดินไปไหนไปคนเดียวอยู่ไหนอยู่ได้อยู่ได้ไดกินง่ายนอนง่ายนะทำอะไรง่ายหมดพอเรารู้เราเข้าใจโลกใบนี้ไม่มีอะไรอื่นกลเลยนะถ้าคิดให้ดีแล้วนี่โลกใบนี้ไม่มีอะไรอื่นมี กินทำยังไงก็ได้เสกสรรปั้นแต่งยังไงจะกินกระเพาะหมูกระเพาะอะไรก็ได้กระเพาะปลากระเพาะเปื่อกะไ้กินกินแล้วก็ขี้ออกนะ เ, เมื่อกินแล้วก็หาความรู้การศึกษาเราเรียนมาเพื่ออะไรละ่ะเพื่อเกียรติยศกินเกียรตินะเมื่อมีเกียรติยศแล้วอะไรรวมเบ็ดเสร็จสามอย่างนี้ก็คือกามกินเกียรติกามมีอะไรอีกไหมที่อานาอสจันกว่านี้อีกมีไหม นะไม่ว่าผู้ดีเศรษฐีผู้ดีไพ่ ย, ยาจากเห็นใจยังไงกินเกียรติกรรมนะเป็นลูกโซ่ซึ่งกันอะไรกันเมื่อมีกรรมทําให้เราได้เกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องกินจากพ่อจากแม่เมื่อกินแล้วมีการศึกษาเราเรียนเพื่อเกิดที่ยศชื่อเสียงเห็นไหมนอกเหนือจากนี้มีอะไรอยังไหมไม่วิเศษอะไรเลยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยศีลธรรมเท่านั้นจะไปควบคุมสิ่งเหล่านี้กินเกียรติกรรมบางทีกรรมนี้ บางองค์ก็บบางทีเราฟังแล้วก็แสลงหูคำว่าการมกามนี้นะเราไปเราไปล็อกไว้ก็กามนี่คือการผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันไม่ใช่อันนั้นมันมันมันมันต่ำไปความหมายของการมก็คือความยินดีนยินดีในแหวนในในห้างทองยินดีในรถเบนซ์ในโชว์รูมยินดีในการที่ไปดูผู้หญิง เขาขาวอวบๆนะ่ะยังไม่ได้สัมผัสเลยนะคือชอบนั่นแหละนะ่ะเป็นอารมณ์เมื่อมีโอกาสเมื่อใดก็จะทําอย่างนี้จากจุดเริ่มต้นจนไปถึงจุดจบนะ่ะจนเป็นผัวเป็นเมียกันนั่นถึงว่าคําว่ากามคํานั้นสรุปในโลกอนี้ก็คือกินหามาเพื่อกินกินอะไรกินข้างถนนก็ได้กินอะไรก็แล้วแต่เนะกียรติยศ ชือเสียงยังให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอเกียรติตัวเร็วยังไงก็ตามแต่ข้างนอกนี่คนต้องชมนี่เกียรติยศชื่อเสียงกามเพื่อมาบ่มบุงกามทั้งหมดทั้งมวล น, นี้กินเกียรติกามฉะนั้นวัตถวณอันนี้ถ้ามีคุณธรรมสามอย่างทานศีลภาวนาสามอย่างอันนี้เป็นยาลบหมึกถ้าต้องการลบหมึกลบกินเกียรติกามนี่ต้องเริ่มจาก ทานศีลภาวนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดปัญญานะต้องเกิดปัญญาเพื่อจะรู้ความจริงอ น, นั้นแล้วเราจะรู้ว่าสัจจะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เพื่ออะไรเริ่มต้นขึ้นมาเป็นเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยจุฬาธรรมศาสตร์สอบปริญญาตรียมแล้วก็มาหาแสวงหา ง, งานพอได้สแสวงหา ง, งานจบ ก็ต้องมาหาคู่มาหาคู่เสร็จแล้วก็ต้องมาหาเงินทองคอนโดนะเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงเป็นด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่นะแล้วก็ไปบำรุงบำเลอด้วยกามคือการอาหารอร่อยอะไรฟแฟชั่นยังไงฟเฟอรเฟอร์อร์ฟอร์อไรงไเฟรฟอร์เฟอรเฟอรนะนะ์เฟร์อง์เร์เฟอร์เฟอร์งฟอร์เฟอะ์เฟอร์เฟอร์เฟอร่เร์เอรเฟอรอรเเฟอรอรอเรอร์อร์เฟออร์เฟอร์เฟอรรบ เสื้อผ้าสุดเก่าสุดใหม่ไปเมืองนอกช้อปปิง้งจนไม่มีที่จะใส่น่ะเห็นไหมเพราะมาบำรุงสนองตัณหาตัวเองให้มันสมใจอยากว่าฉันไปเมืองนอกไปจีนไปญี่ปุ่นนะต้องไปซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มานาฬิกาแหวนสร้อยตุ้มหูเพื่ออะไรเพื่อสนองตัณหาตัวเองเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นถ้าเรามีความคิดว่าคนอื่นที่อยู่ต่างจังหวัดนะ พวกชาวเขาอยู่บนดอยมันกินอะไรมันกินเกลือเม็ดหนึ่งกับข้าวอะ่ะกับพริกนะถ้าคิดอย่างนี้แล้วนะเราจะบรรเทาลงนี่จากนั้นจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักวิธีพิจารณาว่าโลกมนุษย์อันนี้มีอะไรไม่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีถ้าคิดแต่ถ้าเราไปคิดเอาตรงกลางว่าโลกนี้มันสวยหรูบำรุงบมงเรอเราสนองตันหาของเรานะบำรุงกรรม ของเรานี่แต่กามคํานี้ไม่ได้ไม่ได้มีความหมายว่ามันสั่วช้าละโมกอะไรหรอกแต่พวกเราเนี่ยไปคิดถึงเรื่องเซ็กเลยนะส่วนมากแล้วพุ่งไปตรงโน้นเลยแต่ความหมายนั้นไม่ใช่คาว่ายินดีให้เข้าใจอย่างนี้มีน้อยใช่น้อยแต่มีน้อยแล้วอยากจะมีมากนั่นแหละคือกามนะความยินดีทางหูตาจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างนี่คือความที่มันยินดี คำว่ายินดีเมื่อไหร่ก็คือการเมื่อนั้นสรุปแล้วพวกเราก็คืออยู่ในวัตวนของสิ่งเหล่านี้นะออถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติหรือว่าเรานั้นอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เศรษฐีพ้ดีไพ่ยาจกเข็นใจขอทานอยู่ตามสะพานลอยนะ่ะนะทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมดเกิดแกเจ็บตายเห็นไหม มีสภาพเดียวกันไม่ได้แตกต่างเลยว่าคนรวยไม่ตายมีไหมไม่มีคนจนตายอย่างเดียวไม่ใช่พุทธองค์ยิงบอกว่ามีสภาวะอันเดียวกันแต่สภาวะหนึ่งที่จะให้พวกเราได้เกิดปัญญาก็คือจิตใจของเรานั่นแหละเมื่อเรารู้ความเป็นจริงแล้วเราก็บรรเท า, เบาบาบางลงมาลดลงมาเพื่อแผ่คนอื่นแบ่งปันนะสิ่งที่เรามีอยู่นั้นคนที่ไม่เคยได้ยินฟังเราก็พูดให้ฟังในสิ่งที่คุณเกิดคุณงามความดีอย่างนี้เรียกว่าแบ่งปัน ไม่ใช่ในหมายความว่าแบ่งปันเงินทองนะแบ่งปันความฉลาดแบ่งปันสิ่งที่เรามีที่เราเป็นแต่ก่อนเราก็เคยหลงมัวเมาเหมือนเขานั่นแหละแต่เมื่อเราเปลี่ยนไปแล้วเราสูงกว่าเขาแล้วเราก็พูดนี้เขาฟังนะเป็นวิทยาทานอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทานได้ที่สามารถให้ได้ท่านยิงบอกว่าวิทยาทานคือทานปัญญาจากความคิดเดิมๆของเขาอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะนํามา ให้จริตใจของเรานัาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนดีนั้น <c oughs> ก็มีแถวมีแนวอย่างที่ว่ามานั้นถ้าเราทำแล้วเราไม่ต้องไปประกาศหรอกว่าเราจะเป็นเราเป็นคนดีนะโลกเขาจะมองดูเราอะโลกมันเดือดร้อนแต่เราไม่เดือดร้อนเราอยู่กับตัวเราเราเป็นตัวเราเราเชื่อตัวเราเพราะเราเห็นตัวเราเราคืออะไรละ่ะ คือความจริงความสัตว์ไม่ได้ตไม่ได้ตอแหลกับตัวเองไม่ได้โกหกตัวเองนะถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นคนที่อาจหารถึงแม้ฐานะจะยากจนแต่จิตใจนั้นเกิดความสุขสบายโดยทางธรรมไม่ได้หรูหราไม่ได้ฟู่มฟ้าเหมือนคนอื่นนะไม่ได้ไม่ได้ไไดบันเจิดเลือดสีอะไรกับคนอื่นแต่พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นอย่างนี้เออเราทําอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แต่ความเชื่อมั่นนั้นจะต้องเกิดมาจากเอาคุณธรรมเป็นตัวประกบเป็นอาภรคนเราจะงามได้ก็จะเกิดจากศีลจากธรรมไม่ใช่งามที่เครื่องนอกนะใส่เสื้อนอกผูกเนคไทนั่งรถหรูไม่ใช่ใจ่ายเงินเป็นว่าเล่นทิ้งจะทิงจะเป็นคนที่มีฐานะไม่ใช่ถ้าใจสูงแล้วนะ่ะจิตใจเรารู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นะละสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วว่ามันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นของที่ไม่ดีละออกไปแล้วเอาสิ่งที่มันดีกลับเข้ามาคือคุณธรรมโดยเฉพาะแล้วคือกายวาจาใจของเรานั้นก็คือสินที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ก็คือสิ่งนั้นแหละจะนาให้ตัวเรานั้นเป็นคนดีใครไม่ชมเราก็รู้เหมือนกับเราไปขโมยของเขาเนี่ยพอเห็นตารวจหรือนายประสณีเดินมาเราก็วิ่งหนีแล้ว เพราะอะไรเพราะมันเป็นบาปแต่ความดีนั้นเราเดินไปในถนนไม่มีใครชมเราเราก็ภูมิใจอยู่ว่าเราเป็นคนดีเห็นไหมเราไม่มีโทษไม่มีภัยอะไรเลยเชื่อมั่นในตัวเราถ้าเป็นอย่างนี้แล้วธรรมะของพระองค์ที่สั่งสอนพวกเรามาสองพันกว่าปีนั้นไม่ได้เหือดแห้ง ห, หายไปไหนความดีเป็นความดีความเร็วเป็นความเร็วมันจะให้ผลเร็วช้าต่างกันเท่านั้นเองเชื่อกรรมการกระทํานั้น เชื่อผลของกรรมบางคนบอกผมดูแล้วนะท่านอาจารย์ว่าคนนั้นมันคดรมันโกงประเทศชาติบ้านเมืองเหลือเกินทําไมมันร่ำมันรวยเหลือเกินนะเออ่ความความดีไปไหนความเลวไปไหนบอกอาจารย์ก็าตอบเขาบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งวินิจฉัยหนังมันยังไม่จบไปดูชีวิตตอนจบของเขาดีว่าเขาเป็นยังไงบางคนนะที่เป็นอย่างนั้นน่ะตายดีไหมไม่ดีเลยนะเพราไปคดไปโกงขึ้นมานะ่ะเห็นไหม เป็นโลกเงินที่เอามาแล้วนะก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้จ่ายอะไรเลยนี่เห็นไหมนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นแหละหนังมันยังไม่จบเรายังไปพึ่งวินิจฉัยเขาแต่ดูการกระทาของเราดีกว่าฉะนั้นวันนี้ก็ได้พูดมายืดยาวนะก็ขอขมวดประมวลในการพูดในวันที่เราถือว่าเป็นวันครอบครัวในวันนี้นะ การทําความดีนั้นต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะประพฤติก่อนผลจากการที่เราทําความดีในตัวเราจะเกิดอนิสงส์มาถึงครอบครัวเราสามีภรรยาไว้วางใจซึ่งกันและกันเมื่อครอบครัวเราเกิดสันติสุขขึ้นมาโดยคุณธรรม liner, นะสังคมหรือหมู่บ้านจัดสรรของเราต่างมีคนดีนะสังคมในหมู่บ้านนั้นสมาคมในนั้นก็จะเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันเมื่อสังคมของเราเกิดความไว้วางใจกัน ด้วยการที่เรามีคุณธรรมมากความชั่วน้อยน้ําดีไล่น้ําเสียออกคนที่เลวๆก็จะอยู่กับสังคมนั้นไม่ได้นะแต่เมื่อใดก็ตามที่สังคมมีค่านิยมว่าคดโกงประเทศชาติบ้านเมืองคอร์รัปชันแล้วจะร่ําจะรวยเป็นค่านิยมเป็นแฟชั่นอย่างนั้นขึ้นมาบ้านเมืองนั้นฉิบหายจังไรแน่นอนนะประเทศชาติของเราเมื่อมาเรามีคุณธรรมพากันมาพูดปฏิบัตินะเอออย่างที่ ในหลวงของเราพาพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะประเทศเราของเราก็สงบร่มเย็นได้นะเมื่อประเทศของเราสงบร่มเย็นได้ด้วยคุณธรรมคุณศีลคุณธรรมแล้วชาติก็สงบร่มเย็นได้เมื่อชาติสงบร่มเย็นได้คุณด้วยคุณศีลคุณธรรมแล้วโลกใบนี้ก็สงบล่มเย็นได้ดังนี้เป็นต้นฉะนั้นรวมหมวดความแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราประพฤติปฏิบัติศีลธรรม เมื่อใดศีลธรรมที่เราปพปฏิบัติแล้วกลับมาเป็นค่านิยมขึ้นมานั้นนะรวมลวงไปในตัวเราแล้วก็คือเราผู้หนึ่งละที่จะพูดว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธมามะกะด้วยกายวาจาใจอย่างแน่นอนถ้าเรามีแต่พูดด้วยว่าฉันเป็นชาวพุทธด้วยวาจาเท่านั้นแต่การกระทํานั้นหมาไม่แ ด, ด่แล้วยำตำําบอลเห็นเมียคนอื่นก็อยากจะไปเอามาเป็นชู้แล้วอย่างนั้นมันอภัยยังไร ไม่ต้องไปพูดเลยว่าเรานั้นเป็นชาวพุทธฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธต้องเข้าใจความหมายว่าพุทธคืออะไรหนึ่งนะะความชั่วทั้งปวงทำความดีทั้งปวงสองเชื่อการกระทำการกระทำนั้นไม่มีที่ลับนะเราเป็นคนเห็นนะกรรมคือกายวาจาใจในที่ลับในที่แจ้ง นะเห็นด้วยตัวเราเองเชื่อก ร, รมเชื่อผลของกรรมเมื่อเราทำลงไปแล้วมันต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะแล้วเราก็งดเวน้นสิ่งนั้นหักห้ามใจซึ่งกิเลสนั้นมันไหลลงทางต่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถกักตั้นได้นี่กรรมเชื่อผลของกรรมสมาธิจะนำไปซึ่งปัญญาให้รู้จักนะ ว่าสิ่งที่เราควรเชื่อนั้นจะเชื่อได้อย่างไรเชื่อตามเขาเขาเข้ามาหรือว่าเชื่อจากการที่เราเข้าไปถึงความจริงเลยเข้าไปถึงขึ้นเลยึืนมันเลยไอคนนี้ว่าอย่างนี้ว่ า, า ง, งี้เข้าไปเลยเหมือนพิสูจน์เนี่ยพิสูจน์ว่าสมาธิมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรานั่งสมาธิเลยนะปัญญาที่มันเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเรานะอย่างเช่นเราไปงานศพญาติเราพี่น้องเรา เราเรียนเข้ามาแล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งเพียงอาศัยยืมมาเราจะระโมห์โลภมากไปทําอะไรนะมีเงินเท่ากองเขา้าถูกเท่าภูเขาหน่นะเอามาเผาหัวเราก็ยังไม่ตายเลยก็ยังไม่ไหมเลยเอามาทําไมมันก็กระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราจะไปฆ่าไปให้ฆ่าให้คุณกับมันทําไมนั่นเรียกว่ารู้จริงแล้วเราก็ไม่เกิดความระโมหโลภมากเห็นไหมถ้าเรารู้ด้วยปัญญาแล้วอย่างนี้เราอยู่ในโลกใบนี้ด้วยความอะไรล่ะด้วยความเป็นสุข เป็นกลางเราจะรอให้โลกใบนี้สงบลมเย็นก่อนและเราจึงจะอยู่กับโลกใบนี้ด้วยความสงบลมเย็นไม่ใช่เราต้องสงบก่อนเราต้องเย็นก่อนโลกเขาจะเป็นยังไงเราก็ปล่อยไปตามเรื่องโลกนะทำคำสอนผู้ดวงนั้นจุดยอดของการสอนของผู้งค์ก็คือการปล่อยวางแต่ก่อนจะถึงคำว่าปล่อยวางนั้นจะต้องมีขั้นตอนทานศีลภาวนาปัญญา และนึงจะปล่อยวางไม่ใช่ว่าพูดแบบโดดแล้วปล่อยวางเลยอะไรก็ช่างหัวมันอะไรก็ช่างหัวมันอย่างนั้นเขาเขกหัวเราเราก็บอกว่าช่างหัวมันนี่มันไม่ใช่พระโต้งไม่ได้สอนให้เราเป็นอย่างนั้นพระทต้งสอนให้เรารู้ทานรู้จักแบ่งปันศีลรู้จักดูแลตัวเองสมาธินะสร้างให้มันเกิดให้มันมีขึ้นความแน่วแน่เป็นหนึ่งนะมีพลังพาเวอร์ power, เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วพิจารณาดูกายของเราหนี่ว่ามันเป็นสิ่งที่จริงไหม เวลาเผาไหม้ปกลายเป็นศพแล้วนะ่ะมันเป็นเท่าเป็นทานจิตของเราที่ยังไม่ถึงเวลานั้นน่ะจะเป็นยังไงนะสมบัติพัสถานที่มันประกอบด้วยกายนี่มันเป็นยังไงจนกระทั่งถึงปัญญาวะโลกอันนี้เราจะเกิดมาบนโลกใบนี้ก็มีราคะโทสะโมหะอยู่แล้วก็เกิดความดีความชั่วอยู่แล้วเกิดคอร์ลชั่นคอรัลชอนคอร์หานินธามีอยู่เรียกว่าโลกธรรมแปดนะมีอยู่ประจําเราตายจากโลกอันนี้ไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เรียกว่าเรารู้รู้จริงเมื่อรู้จริงใจก็ปล่อยวางนะเมื่อปล่อยวางได้เราก็เป็นสุขเป็นสุขตั้งแต่มีชีวิตอันนี้แหละไม่ต้องรอเวลาตายหรอกอันนี้เป็นธรรมะของคขันหัสขลวาฏญาติโ ย, ยมซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสนะพูดแล้วก็พูดอย่างเต็มแม็กเลยวันนี้พูดเต็มที่นะเพราะถือว่าทีโอทนี้เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานนะเป็นสาชนิกชน ที่ควรจะได้ยินในฝัังแล้วอย่าไปยึดติดกับสิ่งใดๆทั้งนั้นให้วกกลับมาดูการปฏิบัติของเรานะเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นเวลานานพอสมควรนะต่อจากนี้ไปก็อยากจะให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ที่อาจารย์แนะนำสั่งสอนไว้เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็คือคุณจิมมี่นพพรมาสรุปนิดๆหน่อยๆ ให้อาจารยา์ให้พวกเราได้ฟังเป็นตัวอย่างว่าการที่อาจารย์ได้พูดนั้นเป็นเช่นไรขอเชิญกราบธรสการ์ด้านอาจารย์นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนทีโอทีทุกคนนะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ว่าให้มาสรุป ทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องสรุปนะครับแต่ในเมื่ออาจารย์ได้มอบหมายนะครับก็เลยอยากจะขอใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับก่อนอื่นก็ขออนุโมทนานะครับกับชาว TOT ที่วันนี้ได้มีการจัดทำบุญจักบาตรนื่องในโอกาสวันสงกรานต์แล้วก็มีการาระลึกถึงเรื่องของวันครอบครัวนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ทาไปทั้งตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดแล้วแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีจะกลายเป็นวัฒนธรรมซึ่งแปลว่าธรรมซึ่งนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของตนเองครอบครัวแล้วก็องค์กร น, นั้นก็จะต้องประกอบด้วยปัญญา ถ้าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียวเขาว่ายังไงก็ทำตามไปตามที่ถูกสั่งสอนมาโดยไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไรทำแล้วเกิดคุณประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้ทำด้วยปัญญานะครับพะฉะนั้นนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่ท่านอาจารย์เน้นมากๆนะครับว่าท่านใช้คำว่าพิธีกรรม นำสู่การปฏิบัติหรือขนบธรรมเนียมประเพณีนำมาซึ่งปัญญานะครับท่านอาจารย์ไดมากล่าวในวันนี้ที่ได้พูดไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็จะไม่สรุปอะไรมากนอกจากจะขอยก อ, อ, อ้างอิงถึงหนังสือที่ผมเชื่อว่าทุกท่านได้รับแจกไปแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ ได้สรุปแล้วใช้ชื่อว่าเส้นทางสู่การรู้แจ้งท่านได้สรุปว่าแนวปฏิบัติหรือแนวคาสั่งสอนของท่านอาจารย์นะครับตั้งแต่ปีสองสองหรือสี่สิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยท่านได้สั่งสอนอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักท่านได้ประพฤติปฏิบัติแล้วมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไรสรุปอยู่ในหนังสืเอเล่มนี้ นะครับเรียกว่าเส้นทางสู่การรู้แจ้งซึ่งท่านอาจารย์วันนี้ก็ได้กล่าวทั้งหมดก็อยู่ในหนังสืเอเล่มนี้นะครับซึ่งผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆว่าที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปวันนี้นะครับอยู่ในสียุคของเส้นทางแห่งการรู้แจ้งยุคแรกที่ท่านอาจารย์เ อ, อใช้ก็คือยุคปฏิบัติขับกล่า ซึ่งการปฏิบัติกัดเก้านั้นท่านอาจารย์ได้สั่งสอนพวกเราให้ใช้ธรรมะใช้บุญมาเป็นรากฐานของชีวิตมาเป็นรากฐานของการดาเนินชีวิตมาเป็นรากฐานของการทำธุรกิจมาเป็นรากฐานของการทำงานไม่ใช่เอาปัญญาทางโลกอย่างเดียวแต่ให้เอาเรื่องของบุญเรื่องของธรรมมาเป็นรากฐานของการดำรงชีวิต แล้วก็ให้ปฏิบัติไปขัดเกลาไปด้วยทานศีลภาวนานะครับอันแรกหลักการแรกที่พระองค์ได้สอนหลักการแรกที่ท่านอาจารย์ติ๊กได้นำพาพวกเราให้ใช้ทานศีลภาวนานะครับหรือจะเรียกว่าการบำเพ็ญมารมีหรือบุญกิริยาวัตถุ หรืออนุปพิกถาตามคำสับของเทพเจ้าสอนเราแต่นี่ก็คือเบื้องต้นของการที่เราจะปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ทาอยู่กับตัวเรานะครับนั้นก็คือยุคแรกที่ท่านอาจารย์ได้สอนหรือขั้นตอนแรกที่ท่านอาจารย์ได้นําพาลูกศิษย์นะครับ น, นั้นก็ท่านกะเน้นนะครับทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งหมดก็อยู่ที่เริ่มต้นที่ตัวเรา ไม่จําเป็นต้องไปทําตามประเพณีเพราะถ้าทําตามประเพณีแต่ถ้าตัวเราไม่เริ่มปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติขัดเก่านะครับอันนั้นคือยุคแรกนะครับที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงยุคที่สองออใช้คําว่าก่อร่างสร้างตัวและตอบแทนคุณแผ่นดินเมื่อยุคแรกเราปฏิบัติขัดเก่าตัวเราดีแล้วเราก็เผื่อแผ่ ให้กับคนอื่นทำตัวเองให้เราเป็นประโยชน์ต่อของสังคมต่อครอบครัวต่อองค์กรต่อหน่วยงานที่เราทำอยู่โดยการเผื่อแผ่ทั้งงานทั้งทำแชร์กันนะครับ mm. เพื่อให้สร้างฐานของตัวเองให้ใ ห, ใหญ่ยิ่งใหญ่ต่อไปเพื่อสร้างบารมีแล้วก็จะทำให้ ตัวเราครอบครัวเราสังคมองค์กรของเราได้มีความสุขความเจริญต่อไปอันนั้นก็เป็นยุคที่สองหรือขั้นตอนที่สองที่เราจะดำเนินในเรื่องของการปฏิบัติธรรมตามที่พระโต้งได้สอนและท่านอาจารย์ได้นำพาเรานะครับยุคที่สามก็คือยุคที่ท่านอาจารย์ใช้ศัพท์ง่ายๆว่าจังวานะครับ คำว่าจังวาเป็นภาษาอีสานก็คือเดี๋ยวก่อนท่านอาจารย์ก็เตือนเราว่ายุคนี้สมัยนี้เวลาไม่ค่อยใครอย่าประมาทนะเอาคำปัจฉิโมาวาของพระพุทธเจ้ามาย่อใช้คำว่าจังวาว่าทุกอย่างไม่มีความแน่นอนนะทำอะไรก็อย่าประมาท ข้อสำคัญสิ่งที่เราทำมาอย่าดิ้กว่าทานศีลภาวนาที่เราทํากันมาจะช่วยเราให้รอดได้แค่นั้นยังไม่พอนะยังจะต้องมีสมาธิการที่เราจะต้องทาจิตใจให้สงบให้มั่นคงให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นต้องมีสมาธิฝึกสมาธิก่อนนอน เอาสมาธิมาใช้ในการทำงานเอาสมาธิมาใช้อยู่ในชีวิตประจาวันอย่าแยกสมาธิว่าเราปฏิบัติสมาธิทุกวันทุกวัดโดยตอนเช้าสวดมนต์ไหว้พระนล้นนั่งสมาธิตอนเย็นก่อนนอนหรือไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ละเลยไปว่าสติกับสมาธิซึ่งเราควรจะปฏิบัติทุกวันทุกขณะจิตอยู่ในการทางาน เพื่อที่จะทำให้การงานของเรามีความเจริญโดยไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความอยากไม่ใช่กิเลสไม่ใช้ความกลัวมาอยู่ในชีวิตมาอยู่ในการทางานโดยใช้สมาธิเพื่อทำให้จิตใจเรามั่นคงเข้มแข็งใช้สมาธิจากการที่เราได้ฝึกตือไว้ดีแล้วมาใช้ในชีวิตประจาวันอย่าประมาทจังหวะ นั่นก็คือยุคที่สามที่ท่านอาจารย์ได้สอนและเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วเรื่องของสมาธินะครับซึ่งเดี๋ยวไปหาอ่านอ่านเพิ่มเติมในหนังสือแต่ว่าในหนังสออือเส้นทางสู่การรู้แจ้งก็ได้สรุปไว้ยุคนี้คือยุคที่สี่หรือยุคที่ใช้คำว่าสแสวงหาความรู้แจ้งซึ่งก็ตรงกับยุค 4.0 ยุค 4.0 นั้นเป็นยุคที่จะเรียกว่า Digital d i s r u p t i o นนะครับหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่จากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดอะไรที่เคยดำรงอยู่ธุรกิจที่เคยทำอยู่ก็อาจจะล้มหายใจจากไปงานที่เคยทำอาชีพที่เคยมีก็อาจจะล้มหายใจจากไปเพราะมันจะเกิด Disruption แต่สิ่งที่จะทำให้อยู่รอดได้แล้วก็จะทาให ธุรกิจเดินต่อไปได้ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงอยู่ได้ก็คือปัญญาเพราะยุคดิจิทัลเบสเอ่อยุคสี่จุดูสี่จุดศูนหรือยุคดิจิทัลก็คือ Wisdom b บ s e อไอที่จะเอามาใช้ถ้าคนไม่มีวิ s d o m ก็จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรแทนที่ด้วย artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนจะอยู่รอดและทำงานได้มีคุณค่าต่อตัวเองมีคุณค่าต่อองค์กรมีคุณค่าต่อสังคมตามคำสอนพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าคือสอนให้เราสร้างคุณค่าตัวเองและสร้างคุณค่าสังคมทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมโดยใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่เหมาะตรงแล้วก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ ปัญญามานำชีวิตการทำบุญทำทานไหว้พระสวดมนต์และอธิษฐานขอพรให้ชีวิตมั่นคงให้การงานจเจริญรุ่งเรืองไม่พอครับต้องใช้ปัญญาเพราะสิ่งที่จะเอาตัวเองรอดต้องใช้ปัญญาเพราะนั้นท่านอาจารย์ถึงได้เน้นว่ายุคนี้เรียกว่ายุคแสวงหาความรู้แจ้งก็คือ การสร้างปัญญาเพราะปัญญานี้เป็นปัญญาของตนไม่มีทางที่จะไปเอาปัญญาของคนอื่นมาได้วันนี้ได้ยินได้ฟังอ่านหนังสือก็อยังเป็นปัญญาของคนอื่นอยู่ยังไม่เป็นปัญญาของตนจนกว่าจะประพฤติปฏิบัติพิจารณาเดินตามขั้นตอนทานศีลภาวนาสมาธิเริ่มต้นแล้วก็เริ่มต้นฝึกปือบ่มเพาะปัญญา ด้วยมรรคแปดที่ขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องที่วันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้พูดถึงนะครับให้มีความเห็นที่ถูกต้องเชื่อกรรมเชื่อการกระทาแล้วก็เชื่อประสบการณ์การกระทาของตนไม่ใช่เชื่อฟังต่อๆกันมาตามที่พระเจ้าได้สอนในคลามสูตรฉะนั้นยุคแห่งปัญญาต้องเริ่มต้นโดยการมี ความเห็นที่ถูกต้องการตั้งหลักที่ถูกต้องเหมือนกับใส่เสื้อผ้ากัดกระดุมเม็ดแรกถ้าความเห็นของท่านไม่ถูกต้องซะแล้วสิ่งที่ตามมาในมรคแปดอีกเจ็ดข้อก็จะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นยุคแห่งยุคที่สี่หรือยุคดิจิ a l Disruption หรือสี่จุดศูนย์หรือจะเรียกว่าประเทศไทยสี่จุดศูนหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือยุคแห่งปัญญาที่ท่านอาจารย์เป็นห่วง นะครับแล้วก็มาเน้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็อยากจะมาสรุปสั้นๆให้ฟังว่านี่คือวันนี้ที่ท่านอาจารย์พูดถ้าจะสรุปสั้นๆก็เป็นสี่ขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นสี่ยุคที่เราควรจะไปพิจารณานะครับวันนี้ก็ได้ทำทานศีล น, นะครับแล้วก็ได้มีการฟังเทศถ้าเรา ใช้ปัญญาเข้ามาประกอบเราก็คงจะได้เห็นว่าวันนี้ฟังเทศเราคงไม่ได้ถือว่ามาฟังเทศตามประเพณีมาฟังเทศแล้วได้บุญแต่ต้องถามตัวเราเองว่าวันนี้ฟังเทศที่ฟังท่านอาจารย์ไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีธรรมะข้อใดบ้างมีข้อคิดอะไรบ้างที่วันนี้เราได้ไม่ใช่ฟังแล้วอันนี้พูดแล้วถูกใจอันนั้นพูดแล้วไม่ถูกใจอันนี้ท่านอาจารย์พูดแรงไปมั้ง อันนี้รู้สึกไม่ดีมั้งอะไรต่างๆฟังไปแต่ก็ไม่ได้ใช้ปัญญาใช้แต่ศรัทธาหรือใช้ความชอบใช้กิเลสของตนมาฟังทำรร ม, มันก็ไม่ใช่ยุคแห่งการแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็อนุโมทนากับทีโอทีนะครับที่ได้มีการจัดเรียกว่าจัดประเพณีขนบรรมเนียมประเพณี เพื่อนําไปสู่วัฒนธรรมเพื่อนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้เป็นวันครอบครัววันที่เราทําเพื่อครอบครัวครอบครัวแรกก็ครอบครัวก็คือชีวิตครอบครัวส่วนชีวิตส่วนตัวของเราแล้วครอบครัวที่สองก็คือครอบครัวการในองค์กรทีโอทีใช่ไหมครับแล้วครอบครัวที่สามในวันนี้ก็คือได้นิมนต์ท่านอาจารย์ติ๊กมาพูดก็คือครอบครัวที่เรียกว่า พุทธบริษัทเราทุกคนเป็นพุทธมามกะวันนี้วันครอบครัวเราทําครบทางสาครอบครัวเลยนะนึกถึงครอบครัวของส่วนตัวของเราเองนึกถึงครอบครัวขององค์กรที่เราอยู่แล้วเราได้เจริญก้าวหน้าแล้วเราก็สร้างความเจริญก้าวหน้าครอบครัวสุดท้ายก็คือครอบครัวของพุทธบริษัทซึ่งมีพระพุทธเภิกษุภิกษุณีุบาศกอุบาสิกาแล้วก็มี พระภิกษุที่พระพุทธเจ้าให้เป็นผู้นำในครอบครัววันนี้เราก็ได้นิมนต์ท่านอาจารย์ติ๊กมามาคุยมาแสดงธรรมให้เราฟังในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้นำของพุทธบริษัทหรือผู้นำของพุทธมาม ก, กะแล้วก็ท่านเองก็มีบุญกรรมสรัมพันธ์กับพวกเรานะที่ท่านได้พูดให้ฟังว่าสิบปีที่แล้วท่านได้ท่านกับชาวทีวทีแล้วก็มีครอบครัวตัวอย่าง ซึ่งได้ใช้ธรรมะไปปฏิบัติทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นภูมิต้านทาน ท, านที่สำคัญในยุคนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ท่านอาจารย์ก็ถือว่าเป็นครอบครัวหนึ่งกับพวกเราที่ได้กลับมาทีโอทีอ OT, แล้วก็ได้มานำธรรมะได้นำสิ่งที่เป็นมงคลมาสู่พวกเราในวันนี้ โดยเฉพาะเรื่องของปัญญานะครับผมก็อยากจะขอสรุปแล้วก็ฝากไว้แล้วก็ขออนุมโมทนากับทุกท่านนะครับว่าขอให้วันนี้ที่ได้ฟังไปก็ขอให้ได้เกิดปัญญาและนำปัญญานั้นไปสร้างความเจริญให้แก่ตนเองให้แก่ครอบครัวให้กับองค์กรเทวทีให้กับสังคมประเทศชาติเพื่อที่เราจะได้สู้มีปัญญาต่อสู้กับความเปลีป่ยนแปลงในยุค 4.0 ต่อไปนะครับ ผมก็ขอสรุปเท่นี้ครับสวัสดีครับ